โลกนี้เป็นดังโลกวนเวียนทุกเรื่องกรรมเชื่อคอยผูกกรรมนำทางเกิดทุกไรทางดับทุกฝาฟันทุลีเหตุราตรีดำฝังใจเป็นโซเป็นบู ดวงใจนั้นแปรไปยิ่งนานวันไหวภาพมานผจนมวนคิดเถิดนาให้ตนมองแจ้งทางเปลี่ยนสร้างชีวิตที่ดีผลและเหตุเข้าใจสร้างสิ่งใดคืนกลับมา ทิ้ตรงอยู่แสานนานคือหลักรรมเจ้าเปลี่ยนดำเนินตามวิธีที่ล้ำแจ้งผิดเดิม mm hmm. ความฝันไกลหา่าตัดชะตาเป็นไปเมื่อเจอกับทุก คงอดทนเมื่อยามทุกมีหากทางจะไกล ใ, ใจเพียนทุกขืสุขที่มีล้วนผ่านมาก็ผ่านผลห่วงใจคนที่ทุกข์ไม่ปล่อยวางจ้าเปลี่ยนดำเนินตามวิธีที่ลำ แจ้งจิตเดิมผลและเหตุเข้าใจส่้างสิ่งใดคืนกลับมาเทียนตรงอยู่สนนานคือหลักั้งเจ้าเปลี่ยนดำเนินตามวิธีที่ล้ำแจ้งจิตเดิม แสนเป็นหูสิฟันในโลกาสะพานกลับฟ้าข้ามนอเพื่อไปหมายซึ่งทำนี้ให้เพียรมุ่งไปเปลี่ยนใจผู้ทุกเป็นเสีย